้็ความในมิลินทปัญหาต่อจากครั้งที่แล้วนี่ในมาขึ้นธรรมวินยาปาพติดช น, นะปัญหาปัญหาที่เกี่ยวกับการปกปิดพระธรรมวินัยเนี่ยในหน้าส0 9พระเจ้ามิลินได้กราบเรียนถามพระนาเกษนว่าพระคุณเจ้านาคเษนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่า ตถาคตปเวดิโตพิกเวธรรมวินโยวิวัโตวิโรจติโนติดฉันโนแปลว่าดูก่อนพิสูุนทั้งหลายทำและวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วภิกษุเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังเอาไว้ไม่รุ่งเรืองนะคือพระไตยปิฎกนั้นหมายความว่าพระไตรปิฎกนั้นนะเปิดเผยจึงรุ่งเรืองถ้าปกปิดไม่รุ่งเรืองหรอกและยังมีคํากล่าวไว้อีกแห่งหนึ่งว่า ปาติโมกขุดเดโซเกวลันจะวิเนยะปิตกังปิหิตังปฏิฉันนังปาติโมกอุเทศและพระวินัยปิดกทั้งสิ้นเป็นของที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปิดแล้วบังเอาไว้แล้วหมายความว่าเกี่ยวกับพระวินัยปิดอกในด้านปกปิดบ้างนนะคือปิดบัง พระคุณเจ้าน่าเกษถ้าหากว่าภิกษุทั้งหลายพึงได้ความรู้ที่ถูกต้องหรือความรู้ที่ตนบรรลุในพระศาสนาของพระชินดาเจ้าใสพระวินัยบัญญัติที่ภิกษุเหล่านั้นเปิดเผยพึงงดงามเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าสิกขาความสำรวมความควบคุมตนเองศีลคุณอาจาระบัญญัติอัทธรสธรรมรสวิมุติรสย่อมมีอยู่ในพระวินัยบัญญัตินั้นทั้งสิ้น ถ้าคุณเจ้านากเกษตถ้าหากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูกระพิสูจทั้งหลายทำและวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปกปิดไม่รุ่งเรืองดังนี้จิงไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าปาติโมกอุเทศและพระวินัยปิดกทั้งสิน้นเป็นของที่พระผู้มีพระภาคทรงปิดแล้วบังแล้วดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้อง ถ้าหากว่าปาติโมกุทเทศและพระวินัยปิดกทั้งสิ้นเป็นของที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปิดแล้วบังไว้แล้วจริงไซถ้าอย่างนั้นแม้คําที่ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทำและวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วพิสูจเปิดเผยจึงเรื่องเรืองปิดบังเอาไว้ไม่รุง่งเรืองดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องปัญหาแม้ข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิด ก็คืออันนี้เป็นความเข้าใจพระธรรมที่คลาดเคลื่อนนะนะเมื่อเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงมาตั้งเป็นปมตั้งเป็นปัญหาเถอพระเจ้ามิลินนั้นกล่าวว่าการที่พระวินัยปิดกเนี่ยนะได้รับการปิดบังนั้นอนะ่ะถ้าฟังดูแล้วก็บอกว่าพระวินัยบัญญัติภิกษุเหล่านั้นเปิดเผยจึงจะ ง, งามถามว่าทำไมถ้าหากว่าพินัยปิดกถ้ามีการปิดบังแล้วพระพิสูรทั้งหลายท่านจะปฏิบัติอะไรท่านจะปฏิบัติกันอย่างไร เนะขาเรียกว่ายกเหตุผลมารับสมอ้างว่าคำที่บอกว่าปาติโมกุเทศและวินัยปิ ด, ดกทั้งสิ้นเป็นของที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปิดบังเพราะฉะนั้นคือมันก็ฟังดูก็เหมือนกับขัดกันนะนะว่าที่หนึ่งบอกว่าคำสอนของพระผู้แต่เจ้าเปิดเผยจึงจะรุ่งเรืองปกปิดเอาไว้ไม่รุ่งเรืองรอ นะถ้ารู้เฉพาะคนบางกลุ่มไม่รุ่งเรืองรอต้องปเปิดเผยให้กระจายกระจายทั่วไปอย่างนี้จึงจะรุ่งเรืองแต่อีกที่หนึ่งบอกว่าวินันปิฎกและปาติโมกอุเทศนั้นน่ะพระองค์ปกปิดเอาไว้เอ๊นยังไงกันนะนะซึ่งพระนาคเกษน์ก็ตอบว่า ขอถวายพระพรมหาภิฎพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธความข้อนี้ไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำและ ว, วินัยที่ตถาคตประกาศแล้วภิกษุเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปกปิดไว้ไม่รุ่งเรืองดังนี้อจริงอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระไตรปิฎกนั้นอย่างที่ กล่าวทั่วไปว่ aan, าพระไตรปิฎกนั้นถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการเรียนรู้ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกแล้วก็การปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็ไม่เจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากว่ามีการเปิดเผยนะมีผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจศึกษาและปฏิบัติตามพระไตรปิฎกจึงจะเจริญรุ่งเรืองแต่ทีนี้สําหรับพระวินัยปิฎกนะสำหรับพระวินัยปิฎก ที่เรียกว่าปาติโมกุเทศและวินัยปิดกเนี่ยนะเป็นของที่พระพุทธเจ้าปกปิดเอาไว้แล้วอย่างนี้ก็จริงส่วนการเรื่องเปิดเผยกับปกปิดเนี่ยนะในหน้า314อัตถกถากล่าวว่าคำว่าเปิดเผยจุงเรื่องเรืองคือเปิดเผยได้แก่ประกาศแสดงจึงรุ่งเรืองแผ่ภัยสารตั้งอยู่ได้หมายค่ว่ายิ่งกระจายเท่าไหร่ศาสนาก็ยิ่งเจริญเท่านั้นยิ่งตั้งอยู่ได้เท่านั้น ก็ทำรรมวินัยที่เปิดเผยได้มีสอย่างคือประเภทที่1นึ่งเอกโตวิวตะแปลว่าเปิดเผยได้เฉพาะฝ่ายเดียวอย่างที่สองอุพโตวิวตะเปิดเผยได้สองฝ่ายอย่างที่สอัฏฐโตวิวตะเปิดเผยได้โดยอัธถาที่บายหมายาว่าเปิดเผยแบบอธิบายอย่างที่4ี่เรียกว่าสัพพตกโตวิวตตะเปิดเผยได้ในที่ทั้งปวง ทนข้อแรกก่อนที่บอกว่าเปิดเผยได้ฝ่ายเดียวเนี่ยนะเปิดเผยได้เฉพาะฝ่ายเดียวอะ่ะคืออะไรบอกว่าสิกขาบทที่ไม่สาธารณะกล่าวคือสิกขาบทบางอย่างเนี่ยพระองค์บัญญัติเอาไว้สําหรับพระภิกษุเท่านั้นบางอย่างบัญญัติเอาไว้สําหรับพระภิกษุณีหมายความว่าเป็นสิกขาบทเป็นวินัยบัญญัติเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มนะเพราะบางอย่างเฉพาะภิกษุบางอย่างเฉพาะภิกษุณีหรือเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นที่จะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งมีอาบัตที่แสดงมปลว่าถ้าปฏิบัติตามไม่เป็นอาบัติถ้าพิสุไม่ปฏิบัติตามเป็นอาบัติถ้าบางอย่างเนี่ยเป็นอาบัตเฉพาะภิษุนีพิสุไม่เป็นบางอย่างเป็นอาบัติเฉพาะพิสุกับภิษุนีไม่เกี่ยวอะไรกับคารวาสเลยทั้นสิ่งเหล่านี้เป็นประเภทเอกโตวิวัตะแปลว่าเปิดเผยได้เฉพาะในกลุ่มเดียวกันไม่ต้องไปเปิดเผยทั่วไปหมดนะเป็นเรื่องที่เรียกว่ารู้เฉพาะกลุ่มอันนี้เรียกว่าเปิดเผยโดย ฝ่ายเดียวเนี่ยนะไม่ต้องไปเที่ยวสแสดงโพลธนาประกาศทําตามถนนสี่แยกอะไรที่ไหนให้ชาวบ้านชาวเมืองเขารู้หรอกเรียกว่าเป็นเรื่องของเฉพาะที่เรื่องเฉพาะกลุ่มพูดแบบชาวบ้านเรียกว่าเรื่องเฉพาะครอบครัวเนี่ยนะส่วนศิกขาบทที่เป็นสาธารณที่ทรงบัญญัติเอาไว้สำหรับภิกษุและภิกษุณีทั้งสองฝ่ายเรียกว่าอุปโภตโวิวะตะัตอันนี้หมายถึงว่ารู้กันในหมู่ทั้งพระภิกษุทั้งพระภิกษุณีบัญญัติทีเดียวเนี่ยคลุมทั้งภิกษุ ครอบคลุมทั้งภิกษุณีออย่างนี้เขาเรียกว่าโอภโตวิวตะหมายความว่าจําภิกษุณีและพระพิสุตต้องปฏิบัติต่างส่วนคุณธรรมที่ได้รับชื่อว่าอัฏฐโตวิวัตะเปิดเผยได้โดยคําอัฏฐานทีบายเท่านั้นอย่างเขาเรียกว่าคุณธรรมเฉพาะตัวเนี่ยผู้ใดที่มีคุณธรรมเนี่ยนะเอาสิ่งเหล่านั้นมาอธิบายได้แต่ไม่สามารถประกาศได้ว่าตัวมีคุณธรรมเหล่านั้นแต่อธิบายถึงคุณธรรมเหล่านั้นได้เขาเรียกว่า อธิบายได้แบบนั้นสําหรับอย่างสุดท้ายเรียกว่าสัพพตกวิวัตหมายถึงพระไตรปิฎกอันเป็นพระพุทธวจนะทั้งหมดเปิดเผยได้ในที่ทั้งปวงไม่ใช่เฉพาะบางท้องที่และเปิดเผยได้ในบริษัททั้งปวงถ้าเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระไตรปิฎกเรียนได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งหมายคือว่าถ้าถ้าการันยุบุ ค, คนะนะรู้การรู้สถานที่รู้อะไรแต่ส่วนรายละเอียดที่มีการปกปิดนั้นเฉพาะพระ ปาติโมกเขาเรียกว่าถ้าจะแสดงปาติโมกเนี่ยจะต้องมีการแสดงเฉพาะที่เนี่ยนะจะไม่แสดงทั่วๆไปอันพระนาคเสนจึงมีการชี้แจงปัญหาเหล่านั้นดังต่อไปนี้ว่าอ่ก็แต่ว่าปาติโมกคุเทศและพระวินัยปิฎกทั้งสิ้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงปิดไว้ตลอดที่ทุกแห่ง คือพระเจ้ามิลินเนี่ยเข้าใจว่าปกปิดโดยที่สุดแม้กระทั่งไม่ไม่เรียนไม่สืบทอดแม้กระทั่งในหมู่พระภิกษุกล่าวว่าใครที่รู้รู้แล้วก็ปิดปิดเก็บเก็บไว้ไม่ต้องบอกเล่าให้ใครฟังนะคล้ายๆแบบนั้นซึ่งพระนาเกษณ์ก็บอกว่าไม่ใช่อย่างงานหอกการปิดนั้นไม่ใช่ปิดทุกที่ทุกแห่งแต่ปิดโดยใช้สีมาเป็นเครื่อง ปกปิดเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าธรมสังฆกรรมอย่างโบส์ทั้งหลายเนี่ยที่เราเรียกว่าโบสโบสในพุทธศาสนานั้นน่ะ ท, ที่ใช้ในยุคปัจจุบันโบสนั้นหมายถึงสถานที่ ท, ที่พระภิกษุทั้งหลายทําวิเนยกรรมภิกษุณีทั้งหลายทําวิเนยกรรมและก็ชื่อว่าเป็นที่เราเรียกว่าเนี่ยใช้สีมาเนี่ยเป็นตัวปกปิดแล้วพันธุ์ปกปิดเฉพาะกลุ่มเฉพาะที่อนนะขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปิดปาติโมกอุเทศ โดยทรงกระทำให้เป็นสีมาเพราะเหตุสามประการเรียกว่าทำให้เป็นเขตแดนเนี่ยนะเฉพาะกลุ่มเฉพาะที่และเฉพาะหวันไม่ใช่ทำเลื่อยเปื่อยทำพร่าเพื่อไม่ใช่การแสดงปาติโมกการสวดปาติโมกเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งเป็นสิ่งที่ทำพร่าเพื่อเนี่ยนะกล่าวคือเหตุที่ทำให้เป็นสีมาเป็นเขตแดนก็ด้วยเหตุสาประการ ประการแรกเขาบอกว่าทรงปิดพระปาติโมกุเทศโดยทรงกระทําให้เป็นสีมาเพราะเกี่ยวกับเป็นการรักษาวงของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายแต่การก่อนอันนี้ถือว่าเป็นวงเป็นประเพณีนะเป็นธรรมเป็นวินัยของพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดอันนี้เรียกว่าเป็นการรักษาวงรักษาประเพณี นะรักษาเรียกว่าสืบทอดตระกูลอย่าแงบบนั้นคำว่าวงก็คือตระกูลสืบทอดวงตระกูลเอาไว้นั่นแหละอย่างที่สองเนี่ยนะทรงปิดพระปาติโมกุเทศโดยทรงกระทําให้เป็นสีมาก็เพราะความที่พระธรรมเนี่ยเป็นของที่ควรเคารพเนี่ยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเคารพกันนะทําด้วยความเคารพทําด้วยความยำเกรงอย่างที่สมทรงปิดพระปาติโมกุเทศโดยทรงกระทําให้เป็นสีมาเพราะภูมิแห่งภิกษุ เป็นภูมิที่ควรเคารพเนี่ยนะอธิบายพิสดารว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปิดพระปาฏิโมกขุเทศโดยทรงกระทําให้เป็นสีมาเนี่ยนะก็เพราะเกี่ยวกับเป็นการรักษาวงของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรนะเป็นคำถามที่ถามเพื่อจะอธิบายเองขอถวายพระพรข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงพระปาฏิโมกขุเทศในถ้ำกลางภิกษุทั้งหลาย ปิดเอาไว้สําหรับบุคคลที่เหลือนะก็คือปาติโม่นั้นจะมีการแสดงเฉพาะในพระภิกษุแม้แต่สามมาเนยยังนั่งฟังอยู่ณสถานที่ตรงนั้นยังไม่ได้นะแม้แต่สมัมมาเนยมางั้นเฉพาะเฉพาะพระภิกษุเท่านั้นหรือว่าถ้าปาติโมของภิกษุณีก็เฉพาะหมู่ภิกษุณีเท่านั้นนะไม่ต้องเอาอย่างอื่นไปปะปนกันนะเรียกว่าปกปิดสําหรับบุคคลที่เหลือเปิดเฉพาะกลุ่มมางั้น อันนี้จัดว่าเป็นวงของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายแต่กาละก่อนทุกพระองค์คือพระพุทธเจ้าทุกอง์ท่านเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าขติยะมายาคือเรียกว่ามายาหรือว่าเรียกว่าเล่เหลี่ยมกษัตริย์นะมายาแปลว่าเล่เหลี่ยมเนี่ยนะเล่เหลี่ยมของกษัตริย์เรียกว่าหรือที่แปลอีกภาษาหนึ่งว่าเรื่องที่รู้กันเฉพาะในพวกหมู่กษัตริย์นะ แห่งพวกกษัตริย์ทั้งหลายอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเขาเจอการบอกว่าคุณวันน้อะไรบอกชั้นกษัตริย์ในคุณลองแสดงสิ่งที่กษัตริย์เขาทํากันซิเรียกว่าเปิดเผยให้เรารู้กันนะเป็นเป็นอะไรเป็นศัพท์เฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกที่พูดหนึ่งคำแล้วรู้กันเออใช่พวกเดียวกันอะไรกันรู้เลยว่าพวกเดียวกันนี่กษัตริย์ด้ยวยกันเนะี่ยนะเรียกว่าย่อมเป็นไปย่ยอมใช้กันเฉพาะในหมู่กษัตริย์ทั้งหลายเท่านั้นเรื่องนี้เป็นประเพณี ชาวโลกของกษัตริย์ที่ปิดเอาไว้สําหรับคนที่เหลือฉันใดเรียกว่ารู้รู้กันเฉพาะในวงในวงเดียวกันในกษัตริย์กลุ่มกษัตริย์เหมือนกันเพราะเขาปิดกันไว้เนี่ยนะไม่ให้กลุ่มคนกลุ่มอื่นรู้รอบรู้ในวิธีการเหล่านี้ฉันใดเนนะขอถวายพระพ ร, พรข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาฏิโมกขุเทศในถ้ำกลางภิกษุทั้งหลายปิดเอาไว้สําหรับบุคคลที่เหลือนี้ ก็เป็นวงของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายแต่การก่อนทุกพระองค์ฉะนั้นเหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติที่เรียกว่าเป็นการรักษาวงตระกูลเอาไว้นั่นเองเนี่ยนะวงของพระพิสุทั้งหลายขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบนแผ่นดินเนี่ยนะมีคนเป็นไปอยู่หลายพวกนะนะคนในโลกเนี่ยมีหลายกลุ่มหลายเผ่าด้วยกันเช่นพวกมนลนะพวก อ่โตนะพวกปปัตตาพวกธรรมกิริยะพวกพรหมกิริยะพวกนตกะพวกนจกะพวกลิงขิกะพวกปีสาจะพวกมณิพัทธาพวกปุณญพัทธะพวกจันดิมะสุริยะพวกสิริเทวดาพวกกาลิเทวดาหรือพวกศิวะพวกสุเทวะพวกคณิกะพวกอสิตาสะพวกพัตติปุตตะ คนทุกกลุ่มเหล่านั้นล้วนแต่มีคำลับเฉพาะประจําพวกนั้นนั้นนครัเรียกว่าจ ะ, ะเรียกว่าประจําสถาบันประจําสถาบันประจํากลุ่มเรียกว่ามีศัพท์เฉพาะก็ได้เฉพาะรู้กันในวงในวงเดียวกันในหมู่เดียวกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ใช้คนพวกนั้นๆเท่านั้นแล้วก็ปิดปกปิดไม่ให้คนกลุ่มอื่นพวกอื่นรับรู้ฉันใดขอถวายพระพรข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระปาฏิโมก อุเทศในถามกลางพิกษุทั้งหลายปิดเอาไว้สําหรับบุคคลที่เหลือนอกนี้โดยทรงกระทาให้เป็นสีมาอันนี้ก็เป็นวงของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายแต่กาลก่อนทุกพระองค์ฉันนั้นเหมือนกันทรงปิดพระปาติโมกุเทศโดยกระทาให้เป็นสีมาเพราะเกี่ยวกับเป็นการรักษาวงของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายตามประการดังกล่าวมานี้ ซึ่งก็มีหลายเรื่องอะนะเกี่ยวรายละเอียดยเกี่ยวกับพระวินัยหลายลอย่างด้วยกันที่รู้กันเฉพาะในวงพระพิสุหรือรู้กันเฉพาะในหมู่พระพิสุเท่านั้นนะเช่นรายละเอียดเนี่ยพระปลอมพระจริงเนี่ยจากคําถามหลายคำเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่นะว่ า, ะาก็มีคําตอบหรือว่ารายละเอียดว่าศึกษาปฏิบัติตามนั้นจริงไหมนะจากคําไม่กี่คําเขาก็รู้แล้วเรียกว่าเป็นเรื่องที่รู้เฉพาะกันเรียกว่าเป็นเรื่องเฉพาะนะเฉพาะทีมเฉพาะกลุ่มบางนั้น นั้นปาติโมกขุเทศพระวินัยปิฎกในในกรณีปาติโมกนั้นโดยมากก็ทํากันใน เ, เฉพาะวงของพระพิโสซึ่งผู้ที่ไม่มีการสืบทอดประเพณีจะไม่รู้แบบเลยไม่รู้ว่าจะทํากันยังไงอะไรยังไงมันติดขัดไปหมดเลยแหละนั้นปาติโมกนั้นจึงเป็นเรื่องที่เปิดเหมือนกันแต่เปิดเฉพาะกลุ่มปิดในพวกกลุ่มอื่นๆ อ, อันนี้ใครว่าปิดปิ ด, ปดกลุ่มอื่นเปิดโดยส่วนเดียว ส่วนในยะที่สองที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปิดพระปาติโมกขเทศโดยทรงกระทํำให้เป็นสีมาเพราะความที่พระธรรมเป็นของควรเคารพเนี่ยเป็นอย่างไรทําไมพระธรรมจึงเป็นของควรเคารพเมื่อพระธรรมเป็นของที่เคารพทําไมต้องปกปิดปาติโมกด้วยที่ปกปิดปาติโมกก็เพราะว่าพระธรรมเป็นของที่ควรเคารพอธิบายว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดําริว่าดําริก็คือพระพุทธเจ้าคิดว่า พระธรรมคือโลกุตระธรรมเนี่ยนะ <acaksın> เป็นของควรเคารพโลกุตระธรรมเป็นของที่ควรเคารพเป็นของควรตระหนักอธิบายเพิ่มเติมว่าที่บอกว่าพระธรรมนั้นเป็นของควรเคารพก็คือเพราะความที่พระโลกุตระธรรมทั้งหลายเป็นของที่พิสุควรเคารพคือควรตระหนักว่าเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดซึ่งภิษุมีอันจะบรรลุพระธรรมคือโลกุตระนั้นได้ ก็เพราะมีความเคร่งครัดในพระปาติโมกเพราะว่าปาติโมกนี่ถือว่าเป็นประธานของศีลทั้งหลายในบรรดาจ้ตุ ป, ปาริสุทธิศีนี่ปาติโมกเป็นประธานของอินทรีย์สังวรเป็นประธานของอาชีวะปาริสุทิศีลและก็เป็นประธานแห่งปัจจะยานิสิตศีลนั้นปาติโมกเนี่ยนะมีความสําคัญในการบรรลุโล ก, กุตระธรธรมมากเพราะฉะนั้นพระพิสุทั้งหลายเนี่ยจะประชุมฟังปาติโมกภายในสีมา เป็นประจําทุกวัน14บ่ําหรือ15คห้านั่นเที่ยวนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อะไรเพราะโล ก, กุตระธรรมเป็นของที่ควรเคารพมากผู้ที่จะปฏิบัติเข้าถึงโล ก, กุตระธรรมได้ต้องอยู่บนพื้นฐานจะตกปาริสูทธิธ์ศีลโดยเฉพาะตาติโมฆ ข, ขสังวรเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพราะฉะนั้นจึงมีการปิดไว้เฉพาะหมู่เท่านั้นเนะี่ย อธิบายในหน้า312รอต่อไปอีกว่าที่พระองค์บอกว่าพระธรรมคือโลกุตระธรรมเป็นของควรเคารพเป็นของควรตระหนักผู้คอยทำตามโดยชอบในพระธรรมนั้น่ะย่อมทำผู้อื่นให้โปรดปรานได้ บุคคลผู้บรรลุพระธรรมคือโลกุตระธรรมนั้น่ะเพราะความเป็นผู้คอยทำตามโดยชอบทำติดต่อกันในพระธรรมนั้นคือมีการปฏิบัติเป็นไปตามลำดับและต่อเนื่องนะมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงจะมีการบรรลุโลกุตระธรรมคือมรรคผลหาได้บรรลุพระธรรมนั้นอ่ะเพราะความเป็นผู้ไม่ค่อยทำตามโดยชอบหรือไม่ทำตามอย่างติดต่อ ในพระธรรมนั้นไม่หมายความว่าถ้าไม่มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะบรรลุโลกุตระธรรมเพราะอะไรพระธรรมที่เป็นสาระคือพระธรรมที่เป็นสาระคือมรรคผลนิพพานนี้พระธรรมที่ประเสริฐนี้ขอจงอย่าอยู่ในเงื้อมมือของผู้ที่ไม่คอยทาตามโดยชอบให้คนทั้งหลายดูถูกดูหมิ่นติตเตียนเหยียดยาำ ตำหนิเอาได้เลยเนี่ยนะอันนี้เหตุผลเกี่ยวกับว่าที่ปกปิดปาฏิโมกเพราะกลัวจะไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ดีไปอยู่ในมือคนเลวเนี่ยนะเมื่อไปอยู่ในมือคนไม่ดีไปอยู่ในมือคนเลวเขาก็ตำหนิติเตียนได้เพราะฉะนั้นจึงเทวารู้กันเฉพาะวง เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าพระองค์คิดว่าขออย่าตกถึงแก่คนชั่วให้คนทั้งหลายดูถูกดูหมิ่นติเตียนเหยียดยม้มตำหนิเอาได้เลยเพราะเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปิดปาติโมกอุเทศโดยกระทําให้เป็นสีมาเพราะความที่พระธรรมเป็นของควรเคารพตามประการดังกล่าวมานี้คือเนื่องจากเรียกว่าดีมากจนไม่สามารถเอามาเปิดเผยแบบธรรมดาทั่วๆไปได้พระปาติโมกเนี่ยดีขนาดนั้นเยี่ยมอย่างนั้นประเสริฐอย่างนั้นจึง ก็ ว, ว่าเก็บรู้ไว้เฉพาะพวกพอนะถ้าอยากรู้ก็ต้องบวชเอากันแล้วกันอ่างนั้นถ้าอยากละเอียดอยากจะรอบรู้แบบนั้นเนี่ยนะขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าธรรมดาเนี่ยนะจันแดงที่มีแก่นประเสริฐนะจันแดงเนี่ยสาระของจันแดงก็คืออยู่ที่แก่นนะความยอดเยี่ยมอยู่ที่แก่นแก่นเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมควรแก่ผู้มีชาติเป็นอภิชาติ เรียกว่าคนระดับสูงเขาใช้กันเนี่ยนะแก่นจันแดงเนี่ยเป็นของใช้ของคนชั้นสูงเป็นแป้งของคนชั้นสูงแต่ถ้าหากว่าเอาแก่นจันแดงเนี่ยแพร่ไปยังเมืองคนป่าเถื่อนแล้วก็ย่อมเป็นของที่คนทั้งหลายจะต้องดูถูกดูหมิ่นติเตียนเหยียดย้ําตําหนิฉัน้นใดเครี่ว่าดีกับเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ดําเละว่าพระธรรมที่เป็นสาระพระธรรมที่ประเสริฐนี้ ขอจงอย่าได้อยู่ในเงื้อมือของผู้ที่ไม่คอยทําตามโดยชอบหมายว่ามไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่าหมายว่าคําสอนที่ดีเหล่านี้ยอย่าไปอยู่กับคนผิดอย่าไปอยู่ในมือคนผิดนะเหมือนกับเหมือนอะไรเหมือนเอาอํานาจไปไว้กับคนเลวอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายดูถูกดูหมิ่นติตเตียนเหยียดยามตําหนิเอาได้เลยเพระองค์ไม่ต้องการอย่างนั้น เพรานั้นพระธรรมที่เป็นสาระพระธรรมที่ประเสริฐนี้ขออย่าตกถึงแก่คนชั่วให้คนทั้งหลายดูถูกดูหมิ่นติเตียนเหยียดยามตำหนิเอาได้เลยดังนี้ฉะนั้นเหมือนการเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงปิดพระปาติโมกุเทศโดยทรงกระทำให้เป็นสีมาเพราะความที่พระธรรมนั้นเป็นของควรเคารพตามประการดังกล่าวมานี้ อันนี้เป็นเหตุผลที่สองเนื่องจากว่าพระธรรมเป็นของดีเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐควรรู้เฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกก็อพอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปิดพระปาฏิโมกขเทศโดยทรงกระทําให้เป็นสีมาเพราะภูมิแห่งภิกษุเป็นภูมิที่ควรเคารพเนี่ยเป็นอย่างไร น, นะก็คือภูมิหรือที่ตั้งของพระพิสุเนี่ยพระพิสุนี้เอาอะไรเป็นกําลัง น, นะไม่ใช่เอาผ้า เอาการปลงผมโงนหนวดเป็นต้นเป็นสาระว่าเป็นพระพิสุถามเอาเอาอะไรก็เอาศีลศีลคืออะไรก็คือปาติโมกขสังวรศีนั่นแหละเป็นกําลังเป็นถ้าท่านไม่มีปาติโมกและท่านจะน่าเคารพได้อย่างไรเพราะนนั้ปาติโมกนี่แหละเป็นที่ตั้งของภิกษุเนี่ยนะเป็นภูมิที่ควรเคารพพระภิสุเป็นต้นท่านเหล่านั้นน่าเคารพก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีปาติโมกอธิบายว่าขอถวายพระพรพิสุทธิภาวะ เพศแห่งพระพิสุเนี่ยนะเพศแห่งพระพิสุที่ประดิษสถานคุณธรรมอันประเสริฐเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่อาจจะช่างได้ะนะช่างไม่ได้หรอกว่าคุณธรรมของท่านเท่าไรไม่อาจประมาณได้ไม่อาจนับค่าได้ในโลกคือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยนะคือชีวิตที่มีค่าที่สุดก็คือชีวิตที่อยู่ในศีลชีวิตที่อยู่ในปาฏิโมกเนี่ยนะพันถือว่าเป็นชีวิตที่สูงสุดประเสริฐสุด เป็นสิ่งที่หาค่ามิได้เป็นสิ่งที่มีราคาสูงสุดแล้วใครใครไม่อาจนับค่าได้ไม่อาจช่างได้ไม่อา จ, อาจประมาณได้บุคคลที่ดำรงอยู่ในพิขุภาวะเห็นป่านนั้นย่อมเป็นผู้ที่หาชาวโลกเสมอเหมือนไม่ได้ก็จริงนะว่าพระพิสุผู้ทรงศีลทั้งหลายเนี่ยยากที่ชาวโลกทั้งหลายจะเสมอเหมือนเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชนทุกข์ ชาติชั้นวันณะเนี่ยนะอ่าคือเรียกว่าเป็นนาบุญอย่างว่าคนเราอื่นประกอบอาชีพทั้งหมดก็เพื่อสแสวงหาปัจจัยสีมาเพื่อถวายเหล่าพระพิสูนเป็นต้นถามว่าเอาอะไรเป็นว่ามั่นใจว่าน่าทำบุญด้วยก็เนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลศีลก็คือปาฏิโมกขันปาติโมกจึงเป็นเรื่องที่รู้เฉพาะกลุ่มเนี่ยนะ นันปาติโมกย่อมเป็นไปในระหว่างพระพิสุท์ทั้งหลายเท่านั้นนะเพราะว่าปาติโมกเนี่ยทำให้ท่านเป็นผู้ประเสริฐเนื่องจากว่าที่เราเรียกว่าที่ชาวบ้านทั้งหลายกราบไหว้ท่านก็เพราะว่าท่านเป็นผู้มีศีลและโดยมากก็จะยก227คือปาติโมกขสังวร น, นั่นเองเพราะว่าปาติโมกนั้นโดยยกมาสวดนั้น227เพราะเนื่องจากถ้าท่านมีสิ่งเหล่านี้นี่แหละท่านจึงหน้าเคารพหน้ากราบหน้าไหว้หน้าบูชา ขอถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนว่าทรัพย์สินประเสริฐยอดเยี่ยมในโลกไม่ว่าจะเป็นผ้าก็ดีเครื่องปูลาดมา้าช้างรถเงินทองแก้วมณีแก้วมุกดานางแก้วหรือว่าอิทธิรัตนะเป็นต้นก็ดีกรร ม, มสุระเนี่ยนะการงานของผู้กล้าที่ส่งพิชิตได้ก็ดีทรัพย์สินทั้งหมดเหล่านั้นย่อมควรแก่พระราชาหมายคําว่าพระราชาเมืองหนึ่งยกทัพไปตีเอาเมืองหนึ่งสิ่งใดที่มีค่าทั้งหมด โดยเฉพาะมีค่าและเป็นสิ่งพิเศษสิ่งนั้นต้องยกเข้าพระคลังหลวงเป็นสมบัติของพระราชาแต่เพียงผู้เดียวฉันใดขอถวายพระพรคุณธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาคมการเล่าเรียนพระปริยติธรรมอาจาระความประพฤติความสำรวมศีลและสังวรของพระสุคตเจ้าคุณธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นของควรแก่พระภิกษุสงฆ์เพราะว่าความปฏิบัติดีความปฏิบัติชอบความปฏิบัติตรงเนี่ยอยู่ที่ไหน โดยมากก็อยู่ในหมู่พระพิสุทั้งหลายทีนี้พระพิสุทั้งหลายที่จะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยท่านตั้งอยู่ที่ไหนก็ตั้งอยู่ที่ปาติโมกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงปิดปาติโมกอุทเทศโดยกระทําให้เป็นสีมาคือเขตแดนเพราะภูมิแห่งพิสุเป็นภูมิที่ควรเคารพตามประการดังกล่าวมานี้เนี่ยนะยกเหตุผลสาประการที่พระปาติโมก บกปิดอยู่ในหมู่เฉพาะหมู่พระภิกษุเท่านั้นเหตุผลที่หนึ่งรักษาวงของพระตถ า, าคตเหตุผลที่สองบอกเพราะว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ควรเคารพเหตุผลที่สภูมิภิกษุเป็นภูมิที่ควรเคารพเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นเหตุให้บกปิดปาติโมกรู้กันรู้กันวงในกัรู้กันเฉพาะคนวงในอันเนี้ ซึ่งพระเจ้ามิลินก็บอกภาษาทุดีจริงพระคุณเจ้าหน้ากเกษตรครับพระเจ้าขอยอมรับคําตามที่ท่านกล่าวมานี้ยอมรับตั้งแต่ว่าคติยะมายาแล้วคือว่าบางอย่างรู้กันเฉพาะในแวดวงของกษัตริย์ใช่บางอย่างไม่ใช่ว่าจะเที่ยวพูดไปทั่วไปหมดนะนะเขาบอกว่าอันนี้นี่นี่เามีเรื่องอย่างทางทหารเนี่ยครับทางทหารเขบอกว่าทางทหารเนี่ยถ้าความลับเกี่ยวกับเรื่องทหารเนี่ยนะห้ามเล่าให้ใครฟังโดยที่สุดแม้แต่พระยา คำสั่งมีถึงขนาดว่าหลับแล้วถ้าฝันห้ามละเมอให้ภริยาได้ยินเขาบอกงั้นเขามีมีกฎมาขนาดนั้นนะเามีคนนายพลเอกคนหนึ่งเนี่ยแทบถูกปลดเพราะเอาภริยาไปนั่งประชมกับเอาไปนั่งประชุมกับใน ใ, ในในสมาคมทหารเนี่ยนะในแวดวงที่กำลังปรึกษาราชการทหารเขาบอกว่าโดยที่สุดแม้แต่ภรยาก็รู้ไม่ได้เขาบงั้นนะเว่า ก็อย่างที่เขาว่ารอเลียนถึงขนาดว่าฝันแล้วละเมอเนี่ยห้ามพูดให้ภรรยาได้ยินอีกเหมือนกันลเมอก็ต้องลเมอคนเดียวห้ามพูดให้ภรรยาได้ยินก็ปกปิดขนาดนั้นก็บางั้นแค่ว่าบางอย่างรู้ได้เฉพาะกลุ่มเฉพาะทีมเฉพาะฝ่ายแม้กระทั่งคนใกล้ชิดขนาดนั้นยังไม่ควรจะรู้แต่ถ้าพูดแบบมโหสถบัณฑิตด้วยนะมโหสถบัณฑิตท่านบอกว่าบางอย่างนี่รู้คนเดียวพอแล้ไม่ต้องเล่าให้ใครฟังเมื่อสําเร็จแล้วค่อยพูด ถ้าไม่สำเร็จยังไม่ต้องพูดอันนี้อันนี้คือหมายความว่าบางเรื่องนั้นมันมันดีเฉพาะกลุ่มเฉพาะที่บางอย่างมันดีเฉพาะที่โอ้ดีจริงๆเลยแต่มันดีเฉพาะที่เหมือนอาหารเนี่ยมันอร่อยเฉพาะเวลาเท่านั้ น, นเวลาหิวกับเวลาที่กำลังปรุงเสร็จสำเร็จบางอย่างนะบางอย่างถ้าไปเก็บไว้นานไม่ได้เรื่องละคือคือในโลกเนียมันแต่ละอย่างมันดีเฉพาะการเฉพาะที่ อันนะชั้นใดพระปาติโมก็ชั้นนั้นก็จะปกปิดสงวนไว้เรียกว่าสงวนไว้เฉพาะกลุ่มแล้วก็แล้วก็กลุ่มเหล่านี้ก็ไม่ใช่ไปเที่ยวสวดทั่วไปหมดไม่ได้นะต้องสวดเฉพาะที่นั่นแหละนั่นนะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นวงของพระตถาคตแล้วก็การปฏิบัติเหล่านี้เป็นที่รองรับคุณธรรมระดับสูงคือโลกุตรธรรมแล้วก็ภิกขุภาวะนั้นเป็นสิ่งที่น่าเคารพกราบไหว้เป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐหาสิ่งใดเปรียบปานไม่ได้นั่นเอง